พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะรายการสันสนีสนทนานะคะดิฉันสันสนีนาภงเป็นผู้ดำเนินรายการก็มาพบกับท่านอีกแล้วค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากสําหรับการที่เราจะเสด็จทำทั้งที่เป็นเวลาที่ยังไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการงานเท่าไหร่กับทั้งที่เป็นเวลาซึ่งเราสามารถจะมีสมาธิ ได้ดีมากที่สุดเวลาหนึ่งนะคะเราก็จึงช่วยโอกาสเนี้ยที่จะให้รายการไม่เพียงแต่ให้ท่านได้ฟังธรรมะได้รู้ว่าพระพุทธองค์สอนอะไรเท่านั้นเพราะความสำคัญของธรรมะของพระาศาสดาท่านก็ตรัสไ้แล้วนะคะว่าในเรื่องของการปฏิบัติเนียสำคัญและแถมการปฏิบัติก็ยังหมายถึงการที่ได้บูชาพระพุทธองค์พระาศาสดาของเราอย่างสูงที่สุดด้วย พระเพรบุอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนะคะท่านศึกษาคําสอนของพระาศาสดายเยอะแล้วท่านก็ไม่เคยเหนื่อยหน่ายมีความเพียรที่จะถ่ายทอดบอกสอนกับพวกเราทั้งหลายรวมถึงการนําปฏิบัติซึ่งอยากให้ท่านเตรียมตัวตั้งแต่นาทีนี้เพราะนาทีหลังจากได้พบท่านแล้วเราจะเริ่มต้นการปฏิบัติกันเลยกราบน้ำส ก, การท่านเพรบุค่ะเชนพนในการปฏิบัติอย่างที่คุณศสัจ尼พูดถึงนั้น่ก็คือให้เราเป็นผู้ที่มีสติ ตสติจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิได้แต่เพราะว่าอะไรเพราะในขณะที่เรามาระลึกถึงที่ใดที่หนึ่งในที่นี้เราใช้ลมหายใจเรามาระลึกถึงลมหายใจของตัวเราเองจิตเราจากที่ทั้งหูบ้างมันจะไหลไปทางหูบ้างไหลไปทางตาบ้างไหลไปทางลิ้นไหลไปทางตามสิ่งอื่นๆเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเข้ามารวบรวมเข้ามาและเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่จุดที่เราตั้งสติเอาไว้ นะพอจิตของเราที่ถูกรวบรวมเข้ามาดึงเข้ามานะอยู่ณนะที่จุดอันเดียวเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวนะความที่เป็นอารมณ์อันเดียวนี้ก็คือสมาธินั่นเองสตนะิถ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมีสมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ในเวลาที่จะเกิดสมาธิขึ้นโนะดยอาศัยสติเป็นที่ตั้งเป็นพื้นฐานเป็นฐานที่ตั้งเนี่ยเวลาเกิดสมาธิขึ้นแล้ว พระเจ้าก็ได้กล่าวว่าไอ้เจ้าสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามาเป็นฐานที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้นในที่นี้ได้เคยตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปตมฌานบ้างเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าคื อ, อในกรณีนี้ เมื่อเป็นผู้สังัดจากกรมสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่กำลังทาหน้าที่กันอยู่ เธอนั้นพิจารณาเห็นซึ่งทำเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อเธอดำรงจิตด้วยธรรม ที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานด้วยการกำหนดว่านั่นสงบประงับนั่นประีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับ เป็นนิพพานเธอดำรงอยู่ในวิปาาัสสนาญาณมีปตมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะได้เปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาที่ชำนาญประกอบการฝึกอยู่กับรูปหุ่นคนที่ํำตัวยาหรือรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมา เขาก็เป็นนายกหมังถนูผู้ยิงได้ไกล ย, ยิงได้เร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้จดันใดก็ฉะนั้นเธอผู้ใดที่สงัดจากกรรมสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้ก็จะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุ คือนิพพานเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานดังนี้อนนี้คือลักษณะเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้มีจิตสงบเป็นรมันเดียวแล้วในพิจารณาขัน5โดยความเป็นของไม่เที่ยงในลักษณะนี้ก็จะเป็นบา ท, ทานในการเข้าสู่นิพพานได้เจริพรค่ะสาธุค่ ะ, ะท่านผู้ฟังที่ครบครบัทนที่ผ่านไปเป็นการนาท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับ ฟังพุทธวจนะที่ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่นําไปสู่นิพพานได้โดยมุ่งเน้นในส่วนของปฐมฌานถูกไหมคะใช่ปฐมฌานคือฌานแรกฌานที่หนึ่งถูกต้องแปลว่าไม่ต้องฌานเนี่ย้ค่ะฌานนี่หมายถึงว่าเป็นความสงบความเพ่ง ค, คือฌานเป็นสาบาลีนะแปลว่าเพ่งเพ่งถ้าพูดภาษาไทยให้ถูกคือจดจอ่ออย่างเรา เอาใจของเรามาจ่ออยู่กับลมนี่นีคือกลุ่มมีลักษณะของฌานละคือเพ่ง<ะ>จดจ่ออยู่นะทีนี้เพ่งภาษาไทยเนี่ยถ้าเราแปลมาตรงเป๊ะๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราบีบบังคับด้วยแต่ว่าคําว่าฌานคือการเพ่งเนี่ยหมายถึงว่าแค่จดจอ่อเฉยไม่ได้บังคับอะไรนึกนึกเหรอไหมค่ะคือบางทีบางคนอาจจะคิด ว, ว่าสมาธิเนี่ยอย่างแค่เรากําหนดสติ <c oughs> เอาอย่างนี้นะถ้าผืว่าเรา เราปล่อยใจของเราไปทั่วเลยนะคุณผู้ชมทิว่วมันก็จะเหมือนกับนกกระจอกแตกลังไปทั่วนู่นเดี๋ยวตาหูจมูกลิ้นไกลใจใค ร, ใค ร, ใครว่าอะไรไปหมดอันนี้คือฟงซ่านบ้าไปแล้นะจิตแตกนะหรือบางทีเราขู่บังคับขู่เข็นบีบขั้นมันมากเกินไปอันนี้ก็จะเหมือนกับเราจับลูกนกกระจาบด้วยมือ2อมือแน่นเกินไปเดี๋ยวมันก็ตายคามือแต่อย่างน้อยเราต้องควบคุมในระดับหนึ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบกับรถเราเหยียบเบรกอย่างเดียวมันก็ไม่ไป แต่ถ้าเราจะเร่งอย่างเดียวโดยไม่สามารถควบคุมพวมาลัยได้มันก็ไม่ได้แต่รถมันต้องมีการควบคุมให้หยุดได้ให้ไปได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เราถึงใช้ประโยชน์จากมันได้เหมือนการจิตเราเลยคุณจอมเดวเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นมันต้องมีองค์ประกอบของการควบคุมในระดับหนึ่งซึ่งองค์ประกอบของการควบคุมตรงนี้นี่คือชานที่พุทธาหมายถึงแล้วก็ไม่ใช่บีบังคับจนกระทั่งมันดิ้นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะนัะ้นความที่เราจะควบคุมในระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งี่คือขั้นที่หนึ่งก็คือชั้นหนึ่งนั่นแหละ ร, ระดับไหนอย่าให้มันมีนะไอ้อกุศลธรรมต้องควบคุมไว้อย่าให้ใจของเราไปอยู่ในโดเมนไปด้านที่มันเป็นอกุศลธรรมอันนี้คุณต้องควบคุมนะใช้ลายใช้ลายใช้ลมหายใจได้อย่างนี้เป็นตน้นนะถ้าบอกว่าในขณะที่เรากําลังปฏิบัติในส่วนของปฐมฌานเรามีจิตใจที่จดจ่อที่ท่านบอก ใช่ใช่ในลมหายใจในกรณีอนาปานสติแล้วเราอาจจะมีความคิดแต่ถ้าความคิดนั้นไม่ใช่อกุศลมีได้แล้วยังจดจ่ออยู่ตรงนั้นเราถือว่ามีได้มีได้นนเข้าใจถอดแทนมากขึ้นค่ะในคําพูดที่พระเจ้าตรงนี้ก็คือวิตกวิจารณนั่นเองค่ะแล้วถ้าองค์ประกอบอย่างอื่นครอบด้วยนะเช่นมีปีติด้วยมีสุขด้วยทั่วทั้งตัวนะอันเกิดจากความวิเวกวิเวกก็คือชัดเจนว่าไม่มีความคิดในทางการปฏิบัติเปลียน แล้วตั้งอยู่ในธรรมมันได้นี่คือกีว่าตั้งอยู่ในธรรมมันได้คือสมมุติเราได้แค่วับเดียวนะชั่วงกระพริบตาก็คือหมายความว่าคุณก็ได้ชันหนึ่งช่วกระพริบตานั้นนะมีความปีติสุขว่าขึ้นตัวตัวในลักษณะนั้นแต่ถ้า ค, คุณต่อไปได้อย่างคงที่ต่อเนื่องนะมันก็จะตั้งอยู่ในธรรมมันได้ก็จะมีฌานหนึ่งที่ลึกซึ้งมีความชัดเจนมากขึ้นกับว่าไปตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านพูดถึงว่าถ้าพิจารณาขันห้า ว่าเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาใช่ไหมคะ uh huh. เห็นไตรลักในขันห้าก็เท่ากับว่าคงจะต้องมีฌานที่ติงทอดเวลาหน่อยไม่ใช่มาแค่แวัดเดียวหายมันก็ไม่แน่นะคือคือแม้ว่าแค่ขณะจิตเดียวเวลาคนจะบรรลุเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่ขณะจิตนั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าองค์ประกอบมันครบพร้อมก็สามารถปล่อยวางได้เหมือนกันก็สามารถทําได้ค่ะอันนี้จะเท่ากับว่าช่วยให้ท่านทั้งหลายที่อาจจะปฏิบัติอยู่ แต่ไม่สามารถที่จะบอกว่าการปฏิบัติของตนเองนั้นเป็นอย่างไรนำเอาไปสังเกตการปฏิบัติของท่านกันล้กันนะคะใช่ใช่แล้วการถัดมา ก, ก็คือว่าออไอ้เจ้าขันห้าเนี่ยที่บอกว่าถึงรูปใบธนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในในใจขณะที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยมันอยู่ตลอดแต่เช่นว่าลมหายใจก็คือรูปจะเป็นเป็นดั้ดลมแต่ในขณะที่เรามารู้ลมหายใจความรู้สึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุข นั่นก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งแต่บางทีเรามีความคิดอดีตบ้างอน า, าคตบ้างความคิดเรืงพวกนั้นก็เป็นสัญญาคือความหมายรู้จะได้ยินเสียงบ้างเอานี่เสียงผู้ชายนั่นก็เป็นสัญญาทางเสียงอย่างนี้เป็ น, นนะบางทีมีความปรุงแต่งจากเสียงนี้เราก็คิดต่อไปว่าเออมันจะต้องเป็นเรื่องนั้นมันก็ มีความคิดคิดเปลี่ยนแปลงไปจากความคิดนี้เปลี่ยนเป็นความคิดหนึ่งสัญญาเข้าทํางานเปลี่ยนสัญญาสังขารเข้าทํางานเปลี่ยนสัญญานี้ให้เป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็พูดถึงจิตที่เข้าไปรับรู้เพราะฉะนั้นขั้นห้าอยู่ในนี้หมดเลยในสมาธิที่เรามีนะซึ่งในขณะที่เราเราอยู่ในสมาธิเนี่ยผู้ชาก็ให้เห็นนะอะไรก็ตามที่คุณเห็นได้ในสมาธินี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยง เนีเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกสอนเป็นความยากลําบากเป็นอาภาษเป็นของผู้อื่นเป็นของแต่สลายเป็นของไม่ใช่ตนเราว่าไปทีละอย่างนะคุณยมติ้ยนะอาตมาต้องการจะเจาะประเด็นตรงนี้เพราะว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งมากเวลาผู้เจ้าตรัสเนี่ยนะหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงยังไงไม่เที่ยงเอาก็มันเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งได้เปลี่ยนจากเอาเดี๋ยวอาตมาพูดเดี๋ยวคุณโยมติ้ยพูดอันนี้มันเห็นความไม่เที่ยงละเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้ ทุกเพราะมันอยู่ในสภาวะที่มันเป็นนั้นไม่ได้ mm hmm. อย่างที่มาเคยยกตัวอย่างให้คุณยมติวฟังพูดถึงเรื่องน้ําแข็ง <c oughs> น้ําแข็งตั้งอยู่ในห้องเนี่ยมันจะทนแข็งอยู่ไม่ได้มันต้องเป็นน้ำนํำน้ําตั้งอยู่ในห้องมันจะทนเป็นน้ําอยู่แน่มันต้องเป็นอากาศเป็นไอขึ้นมาน้ําก็จะหมดไปหรือตัวเรามันจะมาทนเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ไม่ได้มันต้องแก่ลงนี่คือสภาวะที่เป็นทุกข์ของมัน ความคิดมันจะมรนแช่อยู่ตรงนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปนี่คือสภาวะที่เป็นต c a ของม a c h e c a c h e c a น h e คน c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e เป็น e c a c h e c a c h e c ที่ e c a c h e c a c h e c a c h เป็นสิ่งที่ c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e c ม c h e c ย c h e น a c h e c a c h e c a c h เ c a c h e c a c h e c a c h e c a c h e แล้วถ้าหนองมันออกมันก็จะหนองออกมากเกินประมาณนะนี่คือลักษณะของแผลฝนะีเราควรจะเห็นว่ามันว่าเป็นฝีนะไม่ควรจะเห็นว่าเป็นของดีนะลูกศรก็คือเหมือนของมีคมนะเป็นของมีคมเป็นมีดโกนนะเราก็อย่าไปโดนมันเหมือนกับปลายเข็มนะมันจะทิ่มแทงทะลุทุกอย่างก็ควรจะไมี ค, คนดิกลี้งนะเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่น นีนดังของผู้อื่นก็คือเหมือนของในความฝันครูชาเคยเปรียบเทียบไว้นีนตื่นมาหายหมดหรือเรายืมของคนอื่นเข้ามาสุดท้ายเราต้องอไปคืนแล้วก็เป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเราต้องเห็นไอ้เจ้าการทาเนี่ยแบบนี้ให้ตามอันใดอันหนึ่งก็ได้นั้นในสิเอ็ลักษณะนี้เป็นตน้นเห็นแล้วไงมันจะมีขั้นตอนตรงนี้เห็นแล้วมันจะ คือไอเห็นแบบนี้นะก็เรียกเห็นตามที่เป็นจริงนะคุณโยติว <Okay. S 1> เห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเกิดความหน่ายน่ายนี่คือแบบแบบไม่ใช่เบื่อเสงนะแต่เบื่อหน่ายหน่ายแบบไม่เอา่แบบแหมจะให้ฉันไปเล่นจักรยานสามล้อเว้ยฉันหน่ายไม่เอาเบื่อเล่นแล้วอย่างงี้นะค่ะ <Okay. S 1> นี่คือความหน่ายพอจะมีความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยจะคลายกำหนัดนะคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางทีนี้นะปล่อยวางเนี่ยคือวาง นั่นคือคือปล่อยวางมันุณโจมตีนว่าไม่เอาวางจบเลิกอย่างงี้นะนี่คือคือจะแปว่าที่เราปล่อยวางแต่คุณบอกว่าคุณปล่อยวางได้ปล่อยวางได้นี่นี่คือตรงนี้นีปล่อยวางได้จะเป็นผลของอะไรก่อนที่คุณจะวางได้คุณต้องคลายกําหนัดนีก่อนที่คุณจะคลายกำหนัดคุณต้องไหนก่อนที่จะหนคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนที่คุณเห็นตามจริงจิตคุณต้องมีความคงที่ในระดับหนึ่งแต่ไม่งั้นมันจะไม่เห็นตามจริงนั่ยคือถ้าจิตเราส่ายส่ายขึ้นลงอยู่ เราจะไม่สามารถเห็นจริงได้เพราะอะไรเพราะเราก็จะสายตามสิ่งนั้นเราก็จะหวั่นไว้ไปตามสิ่งนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าจริงเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยจึงจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงไว้อย่างนั้นค่ะแล้วอุปมาประไมยตรงนี้พรุทเจ้า เ, าเปรียบเทียบกับการที่เราฝึกยิงธนูนะนายกระหมังมธนูเนี่ยเขาฝึกยิงธนูนะอยู่กับรูปหุ่นดินบ้างอยู่กับรูปหุ่นคนบ้างหุ่นฟางบ้าง และสมัยต่อมาก็จะช่ำชองชำนาญช่ำชองชำนาญเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสูงสุดสุดยอดเลยก็คือคุณน้อมไปหานิพพานที่สุดยอดเลยนั่นคือคือนิพพานที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่เรากําลังพูดถึงนายขมังธนูนะเขาฝึกยิงหุ่นอยู่คุณโยมเต๋อถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะและก็เหมือนกันเรากําลังฝึกปล่อยวางเล็กๆน้อยๆเช่นว่าอาหารคุณสั่งมาจานที่2แม่มันอร่อยนะ แต่รู้สึกว่าพอแล้วละ่ะกูจะวางได้ไหมเออมันแค่นี้เองนะหรือว่าคุณเดินผ่านร้านของขนมกุบกบขนมอะไรนะขนมกรอบเคี้ยวอะไรทั่วไปนะะั่น <c oughs> แะแหม่ก็อยากซื้อกินเ อ, อ๊แต่เราจะวางได้ไหมนี่มันแค่เ ง, งี้ยงง่ายอย่างนี้แล้วเราฝึกตรงนี้ฝึกจินระนิดออลดบาดหน้าอยากจะด่ามันแต่เราวางได้ไหมอย่างนี้นะออหรือว่ามีความไม่สบายในกายเกิดขึ้น รู้สึกอยากจะบ่นนะแกลคนนั้นคนนีเเนนนะน้เราอดทนได้ไหมอย่างนี้เน่ยยุงมากัดเราอดทนได้ไหมเราวางตรงนั้นได้ไหมเนี่คือเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันบวกกันบวกกันเหมือนนายขมังธนูฝึกยิงฝึกยิงฝึกยิงเนะทีนี้ปัญหาใหญ่ๆมาเนี่ยผู้เชาก็จะบอกว่าก็สามารถที่จะยิงได้ไกลอนะย่างนี้ได้ไกลนี้มีความหมายเล็กอยู่นะยิงได้เร็วและทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้เนะ่ยยิงได้ใครคืออะไรเนะีเป็นผู้ที่เห็นขันทั้งอ้าเนี่ย โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคคือเห็นขันห้าไหนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ๆละเอียดประณีตนะอดีตอนาคตยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเห็นมันโดยเป็นของไม่ใช่ตัวตนได้นี่คือยิงได้ไกลนะยิงได้เร็วคือรู้อริยสัจสทําำลายหมู่พลอันใหญ่ได้คือทําลายอวิชชาอันใหญ่ได้นะีมันก็จะไล่เป็นขั้ น, ข, นขั้นไปนะไล่เป็นขั้นขันไปแต่เพราะนั้นไอ้บทตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะว่า คุณปรินิพานหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็ด้วยแต่เรื่องรวมถึงขั้นเล็กๆที่เราเดินไปทุกวันทุกวันเราก็ทําตรงนี้ด้วย ถ, ถึงจะถูกต้องค่ ะ, ค, ะคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันซะเป็นหลักใหญ่ด้วยซ้ำใช่ไหมครใช่ใชน uh huh. ะฮะตรงนี้อีกนิดหนึ่งคุณยมเติ๋วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเวลาที่เราฝึกทําฝึกทําตรงนี้พระเช้าตรัสถึงเวลาที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ย สมาธิเนี่ยเราจะมาต้องพูดนหนึ่งว่าคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวแตไม่ใช่ว่าสมาธิแบบนิ่งไว้ไม่ไว้ติงแบบแจ้งว่างไว้หมดมันก็อันนั้นก็ใช่อยู่อันนั้นก็สูงสูงขึ้นไปทําได้ก็ดีแต่แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เข้าใจไหม <Okay. S 1> แค่ว่าจิตเราเนี่ยไม่มีความคิดในทางการปฏิ บ, บัติเปลี่ยนไม่มีเรื่องที่เป็นอกุศลทุกคนอาจจะคิดงานอยู่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ คิดแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่โดยที่ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอย่างเงี้ยจิตตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจิตที่มีสมาธินะ อ, อย่างเช่นเราอ่านหนังสือห น, ะนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ไข้คลืนตามหนังสือนี้ไปเนะี่ยเป็นเรื่องที่ เ, เป็นทําเป็นวินยัยหรือเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้มีทางการอย่างงี้นะจิตนั้นก็เป็นสมาธิ<แ>เกิดขึ้นได้เป็นความเป็นอารมณันเดียวความเป็นอารมณันเดียวตรงนี้เนี่ย ต้องบอกอีกนิดหนึ่งว่าความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะมีสภาวะหนึ่งคือบงางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเราถ้าเราจิตเราหวั่นไวหวตามสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะไม่เห็นความที่สภาวะนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะจึงต้องเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบุญหนะึ่งคือถ้าเราคิดว่าเราจะทําบาปแล้วจะหลุดพ้นได้เนี่ยอันนี้มันจะไม่มันจะไปไม่ได้มันจะเป็นความคิดของมารมารก็จะไปทางนั้น แต่เราต้องสร้างบุญทำจิตให้สงบเราถึงจะเห็นสภาวะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือคือเนื่องออกว่านิ่งเนี่ยจะเห็นที่มันเคลื่อนได้ถ้าเคลื่อนจะมาเห็นนิ่งๆมันยากหลักณานี้ก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยมีผลอย่างไรก้าวหน้าหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าคนจะคิดนะคะว่า สมาธิถ้าดีต้องนิ่งๆอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้คือต้องบอกนั่งไปไกลๆแล้วคือนิ่งๆว่างๆนานๆอย่างเดียวอันนั้นก็ก็ด้วยอันนั้นก็ดีค่ะอแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันใด่ใช่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเอาแค่ว่าเราเดินไปตามถนนแรือคุณเดินไปทํางานเดินจากร้านจดรถมาอะไรต่างๆเนี่ยจิตเราว่างอยู่จิตเราสบายอยู่แต่จิตเราไม่ได้กังวลไม่ได้มีนิวันอะไรต่างๆเนี่ นั่นเป็นสมาธิเลยนะอยู่ในท่าเดินค่ ะ, ะแล้วในขณะนั้ น, น, นเราก็มีส ต, ตินิ่งอยู่เห็นมีลมพัดผ่านอะไรต่างๆนี่เราก็เห็นความไม่เที่ยงเออสิ่งนี้มันเป็นไปธรรมชาติของมันอย่างนี้นะเห็นสภาวะทุกข์ของมันนะมันเป็นไปตามอย่างนั้นแหละนั้นเนี่ยคือวิปัสสนาเลยนะเพราะฉะนั้นมีปัสสนาเนี่ยคือคือเวลาที่เราจิตเรานิ่งๆอย่างนี้เราก็วิปัสสนาได้ค่ะแะต่มันต้องคู่กันไปมันต้องคู่กันไป สบายไหมคะท่านระวังที่เครารพคะเมื่อเราเข้าใจธรรมที่แท้จริงเนี่ยอาจจะ ง, ง่ายกว่าที่เราเคยนึกว่ายากคนอย่างฉันคงจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงก็รู้สึกบีขึ้นนะคะแล้วก็เบลงคิดว่าการที่เรารู้ว่าพระพุทธองค์สอนอะไรเนี่ยทําให้เกิดกําลังใจเรารู้ทิศรู้ทางเรารู้ทางที่จะเดิน ร, รู้แผนที่อดีกว่าเมื่อก่อนนั้นมันเครือบแคลงระแวงสงสยัยค่ะ ออพอตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ เ, เป็นเส้นทางที่ผู้ชา่าบอกแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ตรงนี้ต้องสนต้องทำความเข้าใจคือเราต้องซ้อมบ่อยๆเหมือนในบําลังธนูเขาซ้อมซ้อมยิงซ้อมยิงซ้อมยิ ง, อยงพอซ้อมยิงแล้วเนี่ยเราเชื่ว่าเวลาที่เทคนิคที่เคขาซ้อมเนี่ยเขาจะต้องดึงลูกธนูออกมาเอาลูกธนูใส่เข้าไปที่คันธนูนแล้วก็เล็งแล้วก็ปล่อยซึ่งกระบวนการตรงนี้มันต้องอาศัยความชํานาญไม่ว่าลูกธนูที่ดึงออกมา จังหวะแม่นยำในการที่ดึงสายคันธนูการเลงคุณใช้ไวแค่ไหนเลนะเหมือนกันเวลาที่เราจะฝึกจิตของเราให้มีความชำนาญเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณมานั่งสมาธิบางคนฝึกได้ก็ดีใช่มตอนเช้าชั่วโมงตอนค่าชั่วโมงอ๋อไม่ต้องพูดถึงชั่วโมงละมากไปเอาสิบนาทีเช้าเย็นนะีมันไม่ใช่แค่นั้นเรากำลังพูดถึงระหว่างวันนะีคุณอยู่ในลิฟต์คุณทาอะไร ไม่ต้องถึงขนาะดว่าคุณต้องมารู้ลงหมายชัยหรอกรู้ลงหมายชัยก็ดีแต่ถ้าจิตเราไม่ได้มีความคิดบ้าบอลต่างๆใช่ไหมคิดมุ่งห น, น้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราสังเกตเห็นสภาว่างต่างเป็นยังไงพวกเนี้นี่จะเป็นเพ่การเพิ่มช่วงมงบินให้เราตลอดเวลาอัน <คะ S 1> นี้ก็สำคัญด้วยมกันคะ่ะคือสรุปแล้วต้องมีสติตลอดเวลารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ นั่นเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแล้วละแล้วก็ได้กำลังใจกันแล้วนะคะว่าในปฐมฌานคือการปฏิบัติในแบบแรกๆซึ่งยังไม่ได้ซับซ้อนมากก็สามารถที่จะก้าวหน้าไปถึงกับปลายทางสูงสุดคือได้นิพพานได้เช่นเดียวกันถ้าทําได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเช่นกัค่ะแต่ว่าเวลาหมดแล้ว <c oughs> ที่เหลือไปให้ท่านฝึกปฏิบัติกันกันแล้วกันนะคะและถ้าท่านต้องการจะตื่นขึ้นมาให้ทัน กับการได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์โดยที่นั่งอยู่ที่ที่ของท่านซึ่งฝังวิทยุอยู่ก็มาให้ทันตอนช่วงต้นของรายการนี้สัสนิสนทนนะคะเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ีหที่สถานนวิทยุครอบครัวข่าว FM106 วันนี้ก็กราบนอมักการขะพระคุณพระภัยบุญอภิปุโนจาวัตปาดรนหายโศกเป็นอย่างยิ่งคะ่ะนมักการะท่านคะ่ะเดนพานค่ะท่านฟังครับเดนพยายามจะทาให้ การฟังรายการสัมสนีสนทนาซึ่งมุ่งเน้นในการสนทนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้เป็นไปอย่างที่ครบถ้วนคือในตอนต้นซึ่งเป็นการปฏิบัติเนี่ยก็จะมีพระภัยบูรณ์ท่านมาอ่านพุทธว จ, จะนะเลยนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนไว้อย่างไรทไําไมจะต้องเป็นคําตรัสของพระพุทธองค์นั่นก็เป็นเพราะว่ามีความละเอียดลึกซึ้งการที่พระพุทธองค์ตรัสนี่มีความหมายลึกซึ้งทุกท่อยทุกคํา สำคัญมากแล้วก็เป็นกุศลมากถ้าท่านจะได้เข้าถึงกับคําสอนนี้โดยตรงและไม่ให้ท่านว้าเหว่ด้วยการที่จะมีการมาอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นจนกระทั่งจบรายการกันไปด้วยเลยนะคะและไม่ได้จบคราวเดียวธรรมะของพระาศาสดากว้างขวางผู้ทุกวันเรื่องเดิมยังไม่เหมือนกันได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่อยู่กับร่องกรอยนะคะหมายความว่าเราจะพบความลึกซึ้งมากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในแง่ใ น, ในมุมที่เราจะรู้สึกว่าอ ต้องบอกจริงๆว่าแยบขายลึกซึ้งมากสำหรับคำประศ า, ศาสดาเราติดตามรับฟังรายการกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันสันสนีน้าพง์รายการสันสนีสนทนาลาท่านไปก่อนค่ะพุทธสวัสดีค่ะ